อธิบายว่าแพที่เขาผูกนี่ทำให้แผออกคือให้กว้างออกเขาเรียกกันว่าเรียกกันในโลกว่าพิสีแต่ในธรรมวินัยนี้พระอริยเจ้าในวินัยของพระอริยเจ้าอริยมรรคเรียกว่าแพรเรียกว่าแพพิสีตัวนี้เนี่ยเรียกว่าแพหมายถึงว่าปกติเนี่ยแพก็ได้ทางก็ได้มรรคปัจฉาวัตอ่ะ ปะทะปันถะเป็นต้นเนีะพวกนี้เป็นชื่อของมัดเป็นชื่อของเรือเป็นชื่อของแพรนั่นเอง mm. เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโอวาทอยู่ซึ่งนายธนิยะโดยนยะก่อนนั่นแลตรัดอธิบายว่าดูก่อนธนิยะท่านผูกแพรแล้วข้ามแม่น้ามหีถึงแล้วที่นี้แล้วและแพรของท่านก็จกถัถกจัต้องผูกแม้อีกนั่นเองและแม่น้าท่านก็ต้องข้ามอีก ทั้งที่นั้นน่ะจะเป็นที่ปลอดภัยก็หาไม่ได้แพรก็ต้องคอยผูกแพรผูกแล้วผูกเองไม่มีจบมีสิ้นแม่น้ําท่านก็ข้ามแล้วข้ามอีกก็ไม่มีจบมีสิ้นส่วนแพรที่เราทําองค์แห่งอริยมรรคให้ร่วมในจิตดวงเดียว น, นะด้วยโสดาปติมมัคสกะทาคามีมมัคอนาคามีมมัคตลอดจนถึงอรหัตตมรรคเนี่นะเราผูกไว้แล้วด้วยเครื่องผูกคือยานคือปัญญาด้วยการไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกัน องมัดเนี่ยจะไม่มีการก้าวล่วงซึ่งกันและกันเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเพราะไม่มีเครื่องผูกที่จะผูกอีกเพราะเป็นไปตามสภาวะอันมีรถเดียวคือวิมุติรถเนื่องจากบริบูรณ์ด้วยโพธิปักขยธรรม37ประการอันนี้เป็นแพร่ข้ามออกจากโอกหะข้ามออกจากวัฏักเข้าถึงสถานที่กเกษมปลอดภัยจริงๆเชื่อว่าผูกไว้ดีแล้วคือเตรียมไว้ดีแล้วเพราะใครใครในเทวดาและมนุษย์ ไม่อาจาที่จะแก้ได้เพราะไม่มีเครื่องประกอบที่จะพึงผูกเราเป็นผู้ข้ามแล้วด้วยแพรนั้นถึงประเทศแห่งฝั่งที่เราปรารถนาแล้วในการก่อนคือพระนิพพานก็คือข้ามแพรคืออริยมรรตถึงฝั่งคือนิพพานแล้วแม้จะไปอยู่จะไปถึงประเทศบางแห่งเท่านั้นเหมือนพระโสดาบันเป็นต้นก็าหาม่ได้คือไม่ใช่ข้ามได้แค่แบบยังไม่ถึงไม่ไม่ตลอดรอดฝั่งแบบพระโสดาบันนะ พระโสดาบันยังไม่ตลอดรอดฝั่งจริงพระสกท า, าคามีพระนาคามีก็ยังไม่ตลอดรอดฝั่งจริงโดยที่แท้เราตถาคตไปถึงฝั่งคือความสิ้นอาสวะฝั่งคืออรหัตผลนะถึงฝั่งคืออรหัตผลเรียบร้อยแล้วและถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงคือเราบรรลุแล้วซึ่งพระนิพพานอันสุขุมปลอดภัย อีกอย่างหนึ่งบทว่าตินโนข้ามแล้วเนี่ยนะตินโนแปล ว, ว่าข้ามแล้วข้ามด้วยสัพพัญยุตยานคือเราบรรลุสัพพัญยุตยานถึงฝั่งปรารคโตคืออรหัตผลข้ามด้วยสัพพัญยุตยานบรรลุพระอรหันต์แล้วหากจะมีคําถามว่าพระองค์กําจัดอะไรจึงถึงฝั่งได้พระองค์ข้ามอะไรออกไปจึงถึงฝั่งตอบว่าพระองค์ทรงกําจัดโอคะสีมีกามโมคะข้ามโอคะแล้ว ล่วงพ้นโอฆะแล้วจึงถึงฝั่งได้ก็บัตรนี้เราไม่มีความต้องการด้วยแพรอีกเพราะไม่มีฝั่งที่จะต้องข้ามไปเพราะฉะนั้นการพูดของเราเท่านั้นถูกต้องแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดใช่เพราะองค์นี้ผูกแพรคือโสดาปฏิมักข้ามที่โถฆะเรียบร้อยแล้วผูกแพคืออนาคามีมักข้ามกามโมคะได้แล้ว ผูกแพรคืออรหัตตะมักข้ามพระโควะและอวิชโชคะเสร็จแล้วพันฝนจะตกมาก็ตกลงมาเถอะนี่นะพูดถูกต้องนายินิยะคนเลี้ยงโคก็กล่าวตอบว่า น, นะนะเอาประเด็นใหม่อีกว่าพริยาก็เชื่อฟังเราดีพริยาเรานิจใจไม่โลเลเป็นที่พอใจเราอยู่ร่วมกันสิ้นกาลนานเรายังไม่เคยได้ยินความชั่วอะไรอะไรของพริยานั้นแน่ฝน หากท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเนี่ยอ้างว่ามีเรานี่ดีไม่เคยได้ยินความชั่วไม่มีประวัติอย่างความชั่วคำว่าอะโลลาเนี่ยนะไม่มีความโลเลเลยไม่มีความชั่วอะไรอะไรไม่โลเลหมายคําว่าชื่อว่ามาตุคามคือสตรีนี้เป็นผู้โลเลด้วยความโลเลห้าประการหนึ่งโลเลในอาหารสองโลเลในเครื่องประดับสามโลเลในบุรุษอื่นสี่โลเลในทรัพย์ห้าโลเลในการเดินทาง ปกติโดยทั่วไปจะโลเลหอย่างเลยนะอธิบายว่ามาตุคามโดยที่สุดย่อมบริโภคพัดตามปกติบ้างเคี้ยวกินของเคี้ยวที่มาถึงมือบ้างได้ซับสองเท่าแล้วก็ดื่มสุราบ้างอันนี้เพราะโลเลในอาหารอันต่างด้วยพัดและขนมสุราเป็นต้นเยนะอย่างที่หนึ่งสองที่โลเลด้วยเครื่องประดับคือเมื่อไม่ได้เครื่องประดับอย่างอื่นโดยที่สุดแม้เสรยผมด้วยน้ามันงาเจือด้วยน้า ก็ย่อมรูปหน้านี่ก็เอาขอให้มันได้รูปรปบ้างให้มีเครื่องประดับเอาน้ำมันมารูปรูปไปยังดีอย่างที่สามเพราะโลเลในบุรุษอื่นโดยที่สุดแม้แต่บุตรของตนเรียกอยู่ในประเทศนั้นก็ย่อมคิดถึงด้วยอํานาจอาศรธรรมก่อนอย่างที่สี่โลเลในทรัพย์คือโลเลในทรัพย์ได้พญาหงทองแล้วก็เสื่อมจากขนทองของพญาหงนั้นโลเลในทรัพยเนี่ยแปลว่าอะไรนะหงทองจะมาสลัดขนให้ทีละนทีละนวันหลังเนี่ยจับถอนขนหมดเลยนะ ลักษณะดังนั้นะโลเลในทรัพย์ส่วนโลเลในการเดินทางก็คือเที่ยวเตรมมาตุคามมักเที่ยวไปในที่สวนเป็นต้นแล้วก็เที่ยวไปก็ทำทรัพย์ให้ทำทรัพย์ทั้งปวงให้เสียหายชิบหายหลายคนก็เดือดร้อนเสียหายก็แล้วกันเอาเที่ยวมากก็จ่ายมากใช่ไหมหมดตังค์เลยคถานั้นอธิบายว่านายทนิยะแสดงอยู่ว่าความโลเลแม้สักอย่างหนึ่งไม่มีแก่พระยาเราเพรา ะ, ะพระยาเราไม่โลเล ไอ้ไม่โลเลนี่ไม่ใช่เพิ่งรู้จักการบอกบอกว่าพรยาของข้าพเจ้าอยู่ร่วมกันสิ้นกาลนานนับตั้งแต่ข้าพเจ้าเป็นหนุ่มก็เจริญขึ้นโดยมีใจเดียวไม่นางนี่ไม่รู้จักบุรุษอื่นเพราะนางมีใจเดียวหมดว่ามนาป่าแสดงว่าพรยาของข้าพเจ้าไม่รู้บุรุษอื่นอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเนบใจของข้าพเจ้าทีเดียวบอกว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ยินโทษแห่งการประพฤตินอกใจไรๆของภริยาของข้าพเจ้าอย่างนี้ว่าภริยาของข้าพเจ้านี้มีการหัวเราะหรือพูดหยอกเย้ากับชายอื่นชื่อ น, นี้แม้ภูมิใจในภริยาคนเดียวของเขามาก <c ough> พระพุทธเจ้าตอบว่าจิตของเรานี้เชื่อฟังเรา <c oughs> จิตของเราหลุดพ้นแล้วจิตของเราเราอบรมเสร็จแล้วจิตของเราเราฝึกขัดดีแล้วสิ้นกาลนาน และความชั่วของเราก็ไม่มีน่ฝนหากว่าท่านปราทานะก็เชิญตกลงมาเถิดอธิบายแค่บอกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงโอวาทนายธนิยะผู้ยินดีด้วยพระยาพระองค์ก็ตรัสเหมือนกันแปลว่าเหมือนกันโดยพยัญชนะแต่ต่างกันโดยอัฏฐอธิบายว่าดูก่อนธนิยะท่านดีใจว่าพระยาของเราเชื่อฟังแต่พระยาของท่านเชื่อฟังบ้างไม่เชื่อฟังบ้างก็ไปเชื่อท่านอะไรตลอดมาเงิน จิตของผู้อื่นรู้ได้ยากนะรู้ได้งไงว่าเขาเชื่อท่านตลอดโดยเฉพาะจิตของมาตุคามบุรุษ ท, ทั้งหลายด้วยว่าบรุษทั้งหลายแม้จะเลี้ยงมาตุคามด้วยอาหารก็ไม่อาจจะรักษาไว้ได้เลยก็เพราะเหตุที่จิตเป็นธรรมชาติรักษาได้ยากเนี่ยนะรักษาเอาคิดง่ายรักษาใจเราดูสิง่ายไมหมล่ะเอาแล้วเราไปรักษาใจคนอื่นจะเป็นไปได้ยังไง พันคนทั้งหลายเช่นท่านไม่อาจที่จะทราบได้ว่าสตรีมีความประพฤติโลเลหรือเชื่อฟังหรือเป็นที่รักหรือเป็นที่พอใจหรือเป็นผู้ไม่มีความชั่วท่านไม่รู้ไม่ได้หรอกเนี่ยนะนะรู้ได้ยังไงเนะี่ยแต่จิตของเราสิเนี่ยนะนะจิตของเราตถาคตเชื่อฟังเราตถาคตทําตามโอวาทของเราตถาคตเป็นไปตามอํานาจของตถาคตเราไม่เป็นไปตามอํานาจของจิตพระพุทธเจ้าบอกว่าเข้าสมาบัติสาวันก็เข้าสาวันนะ พระพุทเจ้ามีอํานาจขนาดนั้นการที่จิตของเราเชื่อฟังนั้นได้ปรากฏแล้วแก่ชนทั้งปวงเช่นเมื่อไหร่เมื่อทำยะมะกะปาติหารท่อไฟและสายน้ําไหลออกมาพร้อมมีรังสีหประการตอนที่พระองค์แสดงยะมะกะปาติหารานะเราเข้าเตโชกสินเนรมิตไฟขึ้นมาเข้าอาโปะกะสินเนรมิตน้ําขึ้นมาเข้ากสินมีละกะสินเป็นต้น ในเมื่อเนรมิตสีเขียวเป็นต้นขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะมีจิตสองดวงเป็นไปไม่พร้อมกันก็จิตดวงเดียวเท่านั้นที่เป็นไปในอำนาจอย่างนี้โดยความเป็นจิตที่เชื่อฟังก็จิตนั่นแหลพ้นแล้วเพราะพ้นจากเครื่องผูกพันคือกิเลสทั้งปวงเพราะเหตุที่จิตหลุดพ้นไปได้จิตนั้นจึงไม่โลเลไม่เหมือนพิยาของท่าน ด้วยว่าจําเดิมแต่กาละพระพุทธเจ้าพระนามวัถีปังกรเป็นต้นมาจิตของเราก็ตั้งมั่นด้วยดีแล้วก็เพราะเราเนี่เป็นผู้ได้อบรมแล้วด้วยบารมีทั้งหลายอบรมด้วยทานด้วยศีลนี่คัมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบขาตลอดกาลนานไม่เหมือนกับพริยาของท่านอาชาติก่อนนะเขาเป็นคู่ของท่านหรือเปล่าล่ะเหรอใช่ไหมอรชาติต่อไปแหละก็แยกกันอยู่อีกแล้วเนี่ยนะจะไปแ น, น่นอนได้ยังไงเพราะฉะนั้น จิตของเรานี่สิชื่อว่าฝึกดีแล้วเพราะได้ฝึกแล้วด้วยการฝึกอย่างยอดเยี่ยมฝึกด้วยอะไรก็ฝึกด้วยอริยมรรคทั้งหลายจนฝึกด้วยอรหัตตมรรคนั่นแหละเพราะเหตุที่ฝึกดีแล้วนี่แหละจิตของเราจึงสลัดจากการเสพผิดในทวารทั้งหกนะเสพด้วยราคะโทสะโมหะเป็นต้นไม่มีแล้วในทวารทั้งหเพราะจิตนี้อยู่ในอํานาจของตนจึงเชื่อว่าเป็นที่พอใจ เพราะเป็นไปตามอำนาจแห่งความประสงค์ของเราได้ไม่เหมือนพริยาของท่านไม่เป็นไปตามประสงค์โลกน่อนะด้วยคถาว่าปาปังปะนะเมนะวิชติพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมแสดงความที่จิตของตนนั้นไม่มีบาปเหมือนกับนายธนยะแสดงความที่พริยาของตนไม่มีความประพฤติเสียหายพร้ยาของเขาไม่เสียหายใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นบาป่า ก็ความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีจิตไม่มีบาปนั้นหาได้บังเกิดขึ้นในกาละที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่แต่พึงทราบว่าได้บังเกิดขึ้นแก่พระองค์แม้เมื่อครองคารวาสในกาละที่ทรงมีราคะเป็นต้นตลอดเวลา29ปี29ปีของพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยนะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่วินโยชนเกลียด หมายคำว่าเป็นที่รังเกียจที่สมควรแก่ผู้ครองเรือนก็หาได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ไม่แปลว่าทุจริตกรรมที่ประชาชนรังเกียจที่คนทั่วไปคิดถึงแล้วรังเกียจไม่มีเลย29ปีพระพุทธเจ้าไม่เคยล่วงอาุสลกับมาบทเลยเนี่ยนะยิ่งไปกว่านั้นแม้มารจะติดตามพระตถาคตเจ้าถึงเจปี ติดตามพระองค์ตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้หปีตรัสรู้แล้วอีกหนึ่งปีด้วยหวังว่าชนะไหนเนาเราพึงเห็นความประพฤติ ช, ชั่วของพระสมณะโคดมแม้เท่าปลายขนทรายมานั้นไม่พบความประพฤติเสียหายของพระพถทธาคตเจ้าก็เกิดความเบื่อหน่ายตามอยู่เจปีด้วยกันนะไม่ใช่ติดตามน้อยๆเลวจะดูซิถ้ามีความชั่วถ้าท่านคิดชั่วเมื่อไรเสร็จเราเหมานน ที่พยามานบอกว่าเราติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ทุกย่างก้าวตลอดเจดปีไม่ได้ประสบแล้วซึ่งความผิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเสด็จวังหันไม่เจอความชั่วของพระพุทธเจ้าแสดงว่าดีจริงๆแม้ครั้งพุทธกาลเนี่ยนะอุตรมามนบประสงค์จะเห็นความประพฤติของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ติดตามอยู่ตลอดเจดเดือน เขาก็ไม่พบโทษแม้สักอย่างหนึ่งนะติดตามทุกย่างก้าวดูตั้งแต่เช้าจดไปถึงพระพุทธเจ้ากลางคืนกลางวันเนี่ยติดตามเฝ้าดูอยู่เจ็ดเดือนเพื่อจะไปเล่าให้อ า, อาจารย์ของเขานะอาจารย์เขาชื่ออะไรนะพรมมายุพราหมเนี่ยนะพรมมายุพราหมณ์ก็ไม่เคยเห็นความชั่วของพระพุทธเจ้าแม้แต่เพียงเท่าปลายขนทายเหมืนนะั้นเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีความประพฤติบริสุทธิ์ จรงอยูอ่ด้วยว่าสิ่งที่พระตะถาคตเจ้าไม่ต้องรักษามีอยู่สประการพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีใครคอยติดตามรักษาดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งที่ตถาคตไม่ต้องรักษาสประการเหล่านี้สประการอะไรบ้างคือหนึ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตมีความประพฤติ ท, ทางกายบริสุทธิ์กายยะทุจริตที่ตถาคตจะพึงรักษาด้วยคิดว่าขอคนอื่นอย่าได้ทราบกายยะทุตเจริญของเราเลยดังนี้ ย่อมไม่มีแก่ตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ต้องคอยบอกว่าช่วยๆปิดกันหน่อยนะไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ได้เสียชื่อเสียงหมดเป็นต้นไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยทําชั่วพระองค์ไม่ทําชั่วเมื่อพระองค์ไม่ทําชั่วไม่ต้องคอยคิดว่าช่วยการรักษาหรือคอยปกปิดตัวเองว่าคนอื่นจะได้รู้ว่าเรานี่เป็นผู้มีความชั่วอยู่อนะดูกวามพิสูจนทั้งหลายตถาคต มีความประพฤติ ท, ทางวาจาบริสุทธิ์วจีทุจริตที่ตถาคตจะพึงรักษาด้วยคิดว่าขอคนอื่นอย่าได้ทราบวาจีทุจริตของเราเลยดังนี้ย่อมไม่มีแก่ตถาคตสดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมีความประพฤติ ท, ทางใจบริสุทธิ์มโนทุจริตความชั่วทางใจที่ตถาคตจะพึงรักษาด้วยคิดว่า ขอคนอื่นอย่าได้ทราบการมนโนทูจริตของเราเลยดังนี้ย่อมไม่มีแก่ตถาคตพระองค์นี้บริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจไม่มีความชั่วทางกายวาใจแ ม, ม้แต่นิดเดียวดูความพิสูจนทั้งหลายตถาคตมีอาชีวะบริสุทธิ์การเลี้ยงชีวิตผิดด้วยมิจฉาอาชีวะที่ตถาคตจะเพึงรักษาด้วยคิดว่าขอคนอื่นอย่าได้ทราบมิจฉาอาชีวะของเราเลย เน่ไม่มีแก่แตถาคตเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทํามิจฉาชีพก็เพราะเหตุที่บาปไม่มีแก่จิตของพระตถาคตในกาลที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นหาม่ได้แม้ในกาลก่อนบาปก็ไม่มีแก่จิตของพระองค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าบาปย่อมไม่มีแก่เราบาปก็คือความชั่วความไม่ดีแม้แต่นี้เดียวก็ไม่มีในพระองค์ อธิบายว่าใครๆไม่อาจได้ยินบาปแผงจิตของเราเลยเหมือนเหมือนท่านธนิยะ